องค์อนหนึ่งแห่งน้ำเต้านั้นอย่างไรเล่าพระนาคเษนเถ ร, ระเจ้าจึงถวายพระพรว่ามหาราชาดูกะระบพิษผู้ประเสริฐธรรมดาเท่าน้ำเต้าย่อมเลื้อยไปเอางวงพันเหนียวหน่วงซึ่งยอมหญ้าและไม้แห้งแล้วเลื้อยผ่านไปในเบื้องบนงอกงามอยู่ณเบื้องบนนั้นญาถามีครุวนาชันใด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 ติเนกัตเถระตายะวาอารัมพิตวาโสนดีกาหิตะโตวัฏติรูหติตะเทวพุทธปุตเตนะอรหั ต, ตะภลากามินาอารัมมะเนอารัมพิตวาวัฏทิตพังอเสขะพลังมีความว่าธรรมดาเถ่าน้ำเต้าย่อมเอางวงเหนียวเลื้อยไปบนหญ้าและไม้แห้งหรือเถาวัน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 จึงมีพระราชองค์การตรัสถามด้วยองค์แห่งปธุมชาติสืบต่อไปว่าองค์แห่งปธุมชาติสามประการนั้นอย่างไรเล่าพระนาคเษนเถ ร, ระเจ้าจึงถวายวิสัชนาว่าธรรมดาว่าปธุมชาติบัวหลวงเกิดเนื่องเจริญขึ้นด้วยอาศัยซึ่งอุทกังและไม่ได้ติดไปด้วยญาถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้า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 สิ่ง น, นี้แหละเรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งนาวาอันติดโสโครกสองประการสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีจึงมีพระราชองค์การตรัสถามด้วยองค์แห่งนาวาอันติดโสโครกอยู่ในมหาสมุดสองประการต่อไปพระนากเกษณจึงถวายพระพรว่ามหาราชะ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 คือนาวามิได้วันไหวจมดิ่งลงอยู่ในน้ำลึกแล้วไม่ได้เลื่อนไปอื่นจมอยู่ที่เดียวยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าไม่ได้จมอยู่ในลาบส ก, การะและที่เคารพนบนอบนับถือพึงหาเลี้ยงชีวิตพอเป็นยาปันณมัตตตั้งจิตไว้แน่แน่ดิ่งอยู่ดุจนาวาจมอยู่ในน้ำนั้นนี่แหละ เป็นองค์แห่งนาวาอันคล่องอยู่ในมหาสมุทรที่เครบสองอยุติด้วยคำอันพระธรรมมเสนาบดีสารีบุตรเจ้ากล่าวไว้ยะถาสมุทเทลัคขะนากาณนะปะละวะติวิสีทติตถาลาภสักการณนะมาละเคถะปะสีทะถะมีความว่านาวาเมื่อจมลงในมหาสมุทรมิได้วันไหว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 สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้มีพระพุทธดีกาตรัสไว้ในพระธรรมบทว่าอัปมาทะรตาโหถะสจิตตมนุรคกะทุกขาอุทธรัตตานังปังเกสันโนวะกุญชโรมีความว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทรักษาไว้ซึ่งจิตของตนเพียนที่จะให้พ้นกิเลส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 ระหวังงมิให้ตรึกไปในอากุศลวิโตกลามกเหมือนฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งต้นหนที่คำรบสามยุติด้วยพระพุทธดีกาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายว่ามาพิคเวปาปเกอากุสเลวิตกเกทะสยถีทังกามวิตะกังพยาปาทวิตากังวิหิงสาวิตะกัง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 จะกระทาที่สุดแห่งทุกได้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งมหาสมุดห้าประการสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิปดีจึงตรัสถามด้วยองค์แห่งสมุดต่อไปว่าองค์แห่งมหาสมุดห้านั้นคืออะไรบ้างพระนาคเษนจึงถวายพระพรว่ามหาราชดูกระณบพิษผู้มีศักเป็นอัครกษัตริย์อันประเสรศิฐ ธรรมดาว่ามหาสมุทรนั้นมิได้มีซากศพติดอยู่ยะถามีครุวนาชันใดพระโยคาวจรเจ้ามิได้ติดอยู่ด้วยราคะโทสะโมหามาะมานะมักขะคือลบหลู่กุณท่านและตรณีลิษยามายาสาไถใจบ่อมโกงโกหกทุจริตมนทินกิเลสดุจพระมหาสมุทร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 ยุติด้วยพระพุทธฎีกาที่สมเด็จพระมหากรุณาโปรโดประทานไว้ดังนี้เศยถาปิมหาราชะสมุทโทธทิตะธรรมโอเวลังนาติกามัติเอวะเมวะโขมหาราชะายังไมายาสาวกานังสิขาปัทังตังมะมะสาวกาชีวิตะเหตุปินาติกมันติพระพุทธดีกานี้ตรัสแก่บรมกษัตริย์องค์หนึ่ง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 กรรมกาโรสมุทโจอวัคโเตนะปวุจจติมีใจความว่าองค์แห่งน้ำเต้าองค์แห่งปฐุมองค์แห่งพืชองค์แห่งไม้ขานางองค์แห่งเรือองค์แห่งเรือที่ติดโสโครกองค์แห่งเสากระโดงองค์แห่งต้นหนอนองแห่งคนทำงานองค์แห่งสมุดเหล่านี้ท่านจัดเป็นวักอันหนึ่ง ดังนี้แหละ